านั่งตานสบายพัะ น, นี้เรามีแปดพระองค์อยูย่าโยมเยอะกว่าพัะ น, นี้ถ้าจะพวกตีกันสู้โยมไม่ได้เอาสักตังไหมอืม วันนี้เป็นวันตายวันประสูตรของราชินีเป็นวันมงคลวั น, หนไหว้ศีลปลายปลายกลางๆงก็ถือว่าไัว้กลางคนวันพระนี้น่าจะเป็นวันพระคือ สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตเนาะจริงสุดท้ายเพราะว่าหลวงพ่อจะไปแล้วไปดีไปดีอืมได้ไปดีเดดลีวเราเสุขโตไปสบายมาสบายจูสบายอืมเรียกว่าสบายดี มันต้องสบายด้วยแล้วก็ต้องดีด้วยมั น, นเราทักกันนะสบายดีคนคนเจ้าก็บอกสบายดีสบายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สบายดีสบายอะไรสบายสบายกายสบายใจก็ต่อไปงั้นนะแต่ถ้า คนมีสติซึ่งหนึ่งในข้อแรกขององค์พงค์ท่ารู้เรื่องพฏิบักายธรรมคำแรกตัก้งกตยกคำนี้ขึ้นมาว่าสตินี่หลงไม่แต่ผู้เจ้าของเราุน ร, ร, รัสุดท้ายไป่ตัดก็คือสติสติจริงเป็นองค์หรือสติสามบทชง ตัวที่สองก็คือธรรมวิจยะซึ่งเราไมา่ค็ยได้พูดถึงธรรมวิจยะมากระชัดเจนในตัวของมันวิจยะภาษาไทายเราก็คือวิจัยคำวิจัยก็คือสอดส่องดูเรา เ น, น้นคือธรรมะกับวิจัยเราไปวิจัยซึ่งเป็นเรื่องใจญัเหมือนกั น, นกระดับประเทศระดับชาติเป็นสถาบันเรื่องสถาบันวิจัยคือบ้านเรายัางคันย่ามีน้อยต่างประเทศตั้งวิจัยดูอยู่ซื้อตัวกัน ดูดเวิจัยคือวิจยะธรรมะวิจยะธรรมะก็คือของจริงความจริงธรรมะวิจยะคือสอดสองความจริงความจริงคืออะไรความจริงได้มาอย่างไรถึงที่เราพูดถึงความจริงที่เป็นความจริงที่เรารู้รู้กันมามันเป็นข้อเท็จจริง คือมีทั้งข้อเท็จแล้วก็ข้อจริงเพราะนั้นวิจยัยคือการวิจัยตรึกตรองเด้นคน้นหาความจริงจึงมีขึ้นก็เรีวิจยัยธรรมะวิจยัยคือการส อ, สอง ดูความจริงจริงความจริงมันก็คืออย่ยสสีนั่นแห่ถ้าจะพูดตรงๆฉันใช้คำว่าความจริงฉันความจริงได้เกิดจากทางหูหรือฝังนั่นแหละภาษาศัพพะมะหรือสตเตาก็คือฝังคือได้ยินทต่นี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง มันเป็นทั้งข้อเท็จ้ความข้อจริงแล้วเราจะแยกไงออววะอะไรมันเท็จอะไรมันจริงถ้าไม่มีธรรมะข้า ม, มเกี่ยวข้ออันนี้คือข้อจริงทางหูแล้วข้อเท็จจริงทางหูต่อไปเห็นเสร็จแล้วมันเกิดความฟุดกินตะ แบลความคิดทีนี้เราคิดเรารู้ได้ไงเราคิดถูกเรอคิดผิดก็มีสามเรื่องมีสองเรื่องเมื่อรู้ว่นผิดมันถูกละวางอุเบกขาสิ่งนี้ไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาปาญหาเกิดจากความคิดมันเป็นเรื่องใหญ่นี่พอคิดแล้ววางไม่ได้ ไปพคิดแล้วตัดสินใจเลยอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้นี่คือข้อที่สข้อที่สามคือภาวนาที่เกิดจากภายในคือใจจองคข้ควรเจอประสบการณ์ตรงภาวนาเป็นการรู้เฉพาะบอกกันไม่ได้อธิบายกันไม่ได้มันเป็นจิตตัง การตัวภาวนาเนี่ยเป็นตั ว, วบ่งบอกของธรรมะวิจยะอธิแพ้จริงประเกิดจากการกระบวนาการโดยการภาวนาเราเข้าใจว่ากายืนเดินนั่งโดยการภาวนาเพราะนั้นวรวมทั้งหมดนี้มันก็ไปลงที่สัตตุก็คือข้อแรกข้อพูดชง สติก็กลับไปที่เดิมที่เดิมมันคือฐานคือที่ตั้งมรรคฐานฐานล้วก็มีที่ตั้งเหลวฐ า, านฐานของสติคืออะไรทั้งหมดมันอยู่ในตัวเรามันเว่นีไปไหนฐานก็เราคนที่จะกาย กายก็คือรูปรูปข้างนอกรูปข้างในรูปข้างนอกเห็นได้ด้วยตารูปข้างในเห็นได้ด้วยปัญญาแผ่นสติประฐานทั้งหมดเราจึงเรียกว่าอนาปานสติรูปข้างนอกเห็นได้ด้วยตาตาหนังตาเนื้อตาธรรมดา แต่รูปภายในเห็นได้ด้วยเป็นอย่างมันจะเห็นได้ด้วยป็นอาก็ต่อเมื่อเนื่องจากมันอยู่ข้างในมันเป็นภายในสิ่งที่เข้าไปอยู่ข้างในได้คือลมลมเข้าลมออกเพราะมันเข้าไปข้างในเมื่อลมหยาบลมกลางลมละเอียดจนตึกที่สุดแล้วมันจะเห็นเายข้างใน กายอย่างนุปัสนาหนนี่คือฐานเห็นี้เราเห็นแต่กายนอกคือตาเนื้อตาหนังตาธรรมดาแต่กายหนเราไม่เห็นตาเนื้อตาธรรมดานี่ยเห็นแล้วธรรมะวิทยะเกิดขึ้นั้มหมายกับว่าสามารถที่จะสอนดูแลไหมแต่เห็นทางตาแห็นทางกายเป็นต้นว่ากายของเราเนี่ยคําว่าเราเห็นเห็นขนาดไหน เห็นในระดับใดถ้าต่อง่าก็เห็นเพื่อ น, น, นเห็นธรรมดาเห็นทั่วไปเหมือนเราเห็นลืมตาก็เห็นกันละเพราหลังจากนั้นไม่มีธรรมะวิทชญาแล้วไม่มีการคิดไ ม, มีการค้นไม่มีการสอดส่องดูแลว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันเกิดความชอบความไม่ชอบแล้วก็เฉยๆก็คือเวทนามันจะต่างมาเลยมันอยู่ด้วยกัน เราจะไปเยะาะเนื้อกายวิธารณ์กิตธรรมอันนั้นเป็นปริยัติจริงๆมันอยู่ด้วยกันพอเห็นเวทนาเห็นเวทนาเสร็จแล้วรู้สึกคือเสวยอารมณ์เสร็จแล้วอารมณ์ที่เราควรจะอยู่คืออารมณ์ไหนคืออารมณ์ที่เป็นเห็นแล้วมันสุขะเื็นสบายเดีย๋ยวเขสุขอารมณ์เห็นแล้วไม่ชอบ ไม่ยินดีไม่พอใจอึดอัดขัดเรืองมาทุกขเวทนาแต่อารมณ์ที่เห็นแล้วทั้งสองอย่างทั้งสองอารมณ์ไม่สามารถที่จะวางมันได้ น, ะนี่คือปัญหาสุดท้ายเราก็มีแค่สองอารมณ์ข้ารูปเงากับสองบุคลิกภาษาทางบ่าวเรียกว่าใบาโบราณกายเป็นคนสองบุคลิก ต่างตั้อีกบกคคลเกหนึ่งคืออุเบกขามันมีอยู่แต่เราไม่ใช้คือวางไม่ได้ธรรมะมันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราคิดเราค้นสอดส่องดูแลพิจารณาโดยชอบโดยธทมแล้วโดยความเป็นจริงคือธรรมะแล้วพระว่างทั้งสองคือสุขะทุกขะได้นะ่อุเบกขานี่ยคือความหมายคู่ใจเป็นใคา เราจะเห็นข้อแตกต่างระห่างที่เกิดหรือว่าเสวยแล้วสุขะความสุขเสวยแล้วทุกขะือไม่สบายแต่ตัวที่ไม่เสวยแต่สองอย่างคืออุปเเกขะก็วางมันมีน้อยมันเกิดขึ้นในชีวิตเรามีน้อยมากมันจกเป็นที่มากานวางอะไรไม่ได้ทั้อย่างในโลกนี้เพราะเราไม่เคยวางมัน เราก็จะอยู่กัเจาสุขกับเจ้าทุก์ทุกอุเบกขาคือวางอารมณ์วางเฉยมันไม่มีนันก็คือที่ตั้งของกายอย่างที่จะเวทนาปรสนางกายเวทน า, นาสองแล้วจิตที่มันไปเกาะอยู่ตรงนั้นมันมาจากไหนเอาแค่กายกลับไปที่เดิมจิตมันเห็นกายนี้ว่าอย่างไรจิตมันเห็นว่าสวย เห็ว่างามหลอ่อชอบไม่ชอบอนนมันไม่ได้เห็นเป็นอสุภะเลยไม่ได้เห็นด้วยความเป็นจริงว่ากธรรมะวิทยะคือความจริงธรรมะคือความจริงก็คือจริงๆข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีมันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้สุภะมันคืออสุภะเราก็เข้าไม่ถึงในชีวิตจำมัน คือแนวนักแนวคิดแนวปฏิบัติต้นไปไม่ถึงเราก็เห็นรูปร่างรูปรักข้างนอกหล่อสวยงามสงามูสงต่ำดำขาวสะอาดสะอา้านมะแท้แ้จริงถ้าปล่อยจะทำประสัมพันมาสะอาดทั้สะอาดหมดมันอาสุพเาะแล้วข้างในในที่เลยผิวหนังเข้าไปเลยเนื้อเข้าไปลองเจาะดูลองกรีดดู เราจะเห็นข้างในมันไม่ใช่สุภาษอย่างที่เราคิดแต่จิตอย่างนี้เราไม่มีนีคือกายเปนขนาดนี่คือจิตแล้วนะนี่คือฐ า, า, อานฐานกะ็จิตกายเ็นะจิตธรรมเพราะธรรมะคือความจรงิงเราไม่อยู่กับความจรงิงหนึ่งสองสามก็กายเปนขนาจิตตัวธรรมะตรงนคือความจรงิงเราเข้าไม่ถึงความจรงิงเราจึงไม่เห็นความจรงิง คือมเห็นของดูไปไม่ถึงความจริงปัญญามันก็ไม่เกิดในองค์ของโคดชมแปลว อ, องค์เป็นเครื่องโพธิปัดขยะธรรมโพธิก็คือเป็นที่ตั้งรุ ป, ปัจขยะคือฝักฝ่ายพูดง่ายๆโพธิปัจขยะธรรมคือความจริงที่เป็นฝากไฟการตั้งแตรุ้ ท่านก็แล่นเริ่มต้นสติต้อมาก่อนเลยความสติประธานจึงเป็นที่มากับว่าสติปัะธานสติเป็นที่มาก่อนเลยลถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดคือไม่สมาธิธรรมะวิจัยคือสอดส่องดูเลยเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ได้เมื่อไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ใจรักนี่ไม่ต้องพูดถึงที่เราจเจนว่าทั้งหมดจะเป็นรูป ก็เป็นรูปธรรมก่อนว่าเห็นมันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปอย่างไงมันสูดสิ้ น, นไปยังไงเราก็จะไม่เห็นด้วยกันอย่างคือไม่น ก, กิจวัตกา ร, การมันตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจิตมันก็เห็นแค่นี้หรือตา ม, มากเกณฑ์แค่นี้มันไปไม่ถึงสุดทางไปไม่ถึงปลายทางการภาวนาของเราก็ไม่ได้อย่างานเพรหฉะนั้นการกาหนดปุ๊บคาว่ากําหนดคื อ, อกำหัดใจเพราะนั้น ทั้งหมดเราใช้ว่ากำหนดกหนดกายการไปขนาคือเรทั้ันใช้ว่ากำหนดก็คือพิจนารณาคือธรรมะวิจยะนั้นหลังจากนั้นแค่นี้ยังไม่พอความเพียรส่วนปีติปัสสัทธิอื่นๆนี่มันตามมามันเป็นผลรอยได้อยู่โน่นอยู่เปลืกขาตัววางวางทั้งหมด ที่มีอยู่ถ้าพูดง่ายคือจริงทำทั้งหมดพูดจริงเพราะนั้นธรรมะที่แทจริงเราไม่ได้ทำเอาเราถามพูดจริงพอทาเอามันก็ติดคือติดดีติดไม่ดีติดชอบติดไม่ชอบแต่ไม่รู้ตัวสุดท้ายไม่ได้ติดรูปรูปในทอนนี้มุ่งไปที่ให้เข้าใจคำว่ารูปนี้ให้นึกดูวือมันคือดินน้ำไฟลมทันที มันไมใช่รูปสวยรูปงามรูปคนผู้หญิงผู้ชายเด็กและคนชราอันนี้เราเข้าใจอย่างนี้กันมาหน่อเพราะนั้นถ้าพูดถึงรูปรปุ๊บเนีายเราเนะี่ยเออมันคือดินน้ําไฟลมให้เข้าใจอย่างนี้ทําความเข้าใจใหม่คือให้สติมันตั้งอยู่ตรงนี้เลยว่าเออมันคือดินน้ําไฟลมให้คำว่ารูปที่เราเข้าใจกันส่วนน้ำนั้นเป็นแค่ชื่อคืออาศัยอยู่ผู้อาศัยแต่มีอิทธิพล อิทพาธพลต่อธาตุเสียนคือดินน้ําไฟลมในขณะเดียวกันวันหนึ่งดินน้ําไฟลมเขาอยู่ไม่ได้คือดินเป็นดินน้าําเป็นน้ําไฟเป็นไฟลมเป็นลมมันเขาเขาอยู่บนโลกใบนี้แหะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เป็นดินเป็นน้ําแต่เรามองว่าอันนี้คือดินข้างนอกรู้หมดอ่ะคือแผ่นดินอันนี้เป็นอ น, นี่คือน้ำํำเราก็ก็จะเป็นห้วยหนองคลองเบึงทะเลหาสมุทร ซึ่งมันเยอะกว่าแผ่นิตมันตัวเราเนะี่ยอะไรตัวเราดินน้ําล่มก็คัดว่าอากาศที่พัดไปพัดมาดินฟ้าอากาศนัำสุดลมดินน้ําไฟล่มไฟถ้ามีไฟร่างกายมีความอบอุ่นเราก็เาผาผลาญเข้าไปอาหารที่เรากินเนียราประทานเข้าไปไม่ได้มันเย็นก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนคนตาย มันพอผ่านอะไรมันไม่ไดอ้อันนี้คือสภาพคําว่ารูปรูปคนรูปมเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเขาก็จะยแยกกันไปไปตามธรรมชาติหรอกธรรมชาติเกิดเองเป็นเองทรงไว้อย่างนั้นมันไม่ใครไปเจ้าของไม่ใครไปปรุงมาแต่งมันในตัวเรานั้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือตั้งจิตคือคิดเอาไว้อย่างนี้อันนี้คือ มันดีนหน้ไฟลมแล้วตัวที่หนึ่คือจิตเนี่ยที่มันอาศัยอยู่เนยจิตใจตัวมันสะสมมันสั่งสมทุกอย่างเนะ่ยตัวสำคัญมันไม่เคยเรียนรู้ของผู้หญิก็เหมือนกันเด็กๆ เ, เราเกิดมาไม่มีการเรียนรู้เลยไม่มีการอบรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ใดก็ตามชื่อว่า เอาจิตมาอบรมเรียกวาอุรมอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรูปอันนี้มันนามนี่มันกายอันนี้เวทนาอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นธัรมสอนวันให้มีสติอจิตให้มีสติอย่างนั้นจิตมันก็จะไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเขาเขาเขาเขาเป็นนักท่องเที่ยวมันเป็นนักท่องเที่ยวมานานแล้ว ไม่มันเพิ่งเป็นนี่เป็นธรรมชาติ้อเขาแล้วออกไปนะี่เขาก็ไปท่องเที่ยวเป็นพบเป็นภูมิเป็นชั้นออกไปก็เป็นพบเป็นภาพพบก็คือภาพนี่แหละภูมิภูมิก็คือชั้นชั้นของจิตความฉลาดของจิตมันฉลาดอยู่ในระดับไหนมันก็ไหลไปตา ม, มนั้นเป็นชั้นๆถ้าไม่มีความฉลาดเลยมันก็ลงต่ําต่ํำของคนต่ำขอามนุษย์เห็นไหมต่ําไม่ใช่ต่ำธรรมดาขุดดินใต้ดิน ดยู่ในรูนันไม่ใช่ต่ำธรรมดาอยู่ในน้ําใต้น้ํำเป็นกิโลสองกิโลห้าหกสิบกิโลคนหรือใต้มหาสมุทรบนดินดินฟ้าอากาศจะไม่เห็นหน้าตาเป็นไนยังไม่รู้เขาไม่เคยขึ้นจากน้ำํำนะมันหนังดาสาหันะแต่เขาก็มีดึงจิตคุณคิดเหมือนเราเนะี่ยไม่อยู่มีกินเหมือนพวกเราแนตะ่พัฒนาเป็นอย่างอื่นอะไรไปไม่ได้นั้นสุภาพจิตเพนะราะนั้นจิตของพวกเราถึงบอกว่ามันเป็นได้ทุกอย่าง ลืมบอกว่าเนี่พุ่งไปที่กายแต่นี่กายของเราเป็นอย่างไรไางกายเน่ากายเสียกายสะอาดไหมกายอ่างกายนอกอกายไหนให้เข้าใจว่าเออกายเราไม่ได้มีแค่กายนอกเดียวนะมันมีกายรือกายในกางแต่เราไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ใช้ลมหายใจที่มีอยู่เนี่ให้มันเป็นประโยชน์เข้าไปข้างในมีไปสอดส่องธรรมวิจัยคือสอดส่องเข้าไปดูข้างในมันเป็นยังไง นกายเวทนาจิตก็เช่นเดียวกันสภาพหรือสภาวะจิต ท, ที่เราคิดเนีมันถูกรหรือผิดนั่นเป็นยังไงหน้าที่ของเขาก็เป็นอย่างนั้นคือจิตอย่าลือ ม, มันทั้งหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมตัวที่ไปคือจิตต่อเนี่ยเราจะาไปแต่ทั้งหมดส่วนกายมันก็เพลนดินน้ําไฟลงคือรูปมันไปไม่ได้เวทนาสยายนีายังขันยาอี่สี่ตัวมันไป มันอยู่กับจิตน่ะเกร้นถ้าเราไม่อุรลมจิตจิตไม่เข้าใจไม่มีความรู้ของพวกนี้มันก็จะไปเรื่อยปุ๋ยไหลไปตามอารมณ์มันเราคิดปุงแต่งอะไรมันกระปรุงกันไปแต่โคตรง่ายๆก็เหมือนกับคนนอนหลับไม่อนย่าอะไรไม่ได้ในขณะที่เรานอนหลับเราคิดอะไรภาพมันก็จะปรากฏออกมามารู้กี่ภาพไปรู้กี่เรื่องเหมือนกลางวันนึงย จริงๆกรรมวันเราก็ฝันแตเ่เราไม่เข้าใจว่าเราฝันเราฝันมากพว่าจิตมันนึกอะไรขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาต้องท่ามันไม่อยู่กับตัวเลยแต่เราไม่รู้เ ร, เราคิดอะไรหน้าที่หนึ่งคิดกี่เรื่องไม่รู้นั่นคือเวลาเรานอนเรามานอนเมือม่อกเป็นภาพที่ป ร, กรากฏออกมาเกิดและดับๆแล้วเกิดเพรา ะ, ะนั้นท่าพุทธเจ้าจึงเอาคำเหล่านี้ามาบอกมากาวว่าวมาสอนพวกเราเรื่องแต่ละ ก, ก็คือเรื่องนี้ คือเรื่องเกิดเรื่องดับนี่แหละการเกิดการดับของความรู้สึกเรื่องคิดปรุงแต่งของจิตที่อันนี้สำคัญมากแต่สติเราตามไม่ทันเพราะนั้นจริงคำว่าสติในเบื้องต้นคือตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามทันตามมันให้ได้มีคำว่าสติอีกคำเดียวเนี่ยแต่เราไม่หนก็เราไม่รู้เราไม่ทันเพราะนั้น ทั้งเห็นด้วยทั้งรู้ด้วยภาษาที่เรียกว่าวิปัสนางทั้งเห็นด้วยทั้งรู้ด้วยแล้วก็วางมันได้ด้วยก็เรียกว่าอารมณ์ของวิปัสนางแทรกตะว่าเห็นแต่ไม่รู้ถทรรู้ไม่เกิดปัญญาเกิดปัญญาคือความวางได้คําว่ากับปัญญามวางอารมณ์ได้ถ้าถ้าวางไม่ได้มองแค่สัญญา ถ้าเห็นปุเห็นรู้แล้วก็จับคือจําได้หมายรู้มันคือสัญญาแล้วก็ไปพวงต่อเป็นสังขารของคุณเลยไวิญญาณการรับรู้ไปโนมันปัญญาไม่เกิดมันจนมาถึงปัญญามันต้องวางมันได้คือปัญญาวางในระดับใดก็ตามรู้ในระดับใดก็ตามมันถึงจะเกิดปัญญาจิตมันถึงจะจํานะก็เลยสอนจิตทุกวันทุกวันเรียกวอบรม คือทั้งอบด้วยรมด้วยเหมือนก้าปลาอาหาถ้าเราไม่อบถ้าเราไม่รมมันก็ไม่พร้อมที่จะบริโภค ก, กินดื่มเข้าไปมันเป็นของดิบมันไม่ใช่ของสุกไม่ของที่ต้องบริโภคควาอมช้งคู่ง่ายคือมันใช้ไม่ได้่าถ้าจะให้ใช้ต้องอบต้องรมไปต้มไปแกงของดิบก็ต้องเอาไปต้มมันมันสุกนเลยผ่านความร้อน มวลเหล็กทั้งหลายแหล่ก็เช่นเดียวกันต้องไปความความร้อนในภาษาสุภาษิตเรียกว่าอาตาปีอาตาปีแปลความเพียรอย่างกิเลสให้ร้อนถ้าไปตามศัตว์ก็พูดง่ายถ้าเราเอาความเพียรเป็นตัวเผาความเพียรคืออะไรคือการยืนเดินนั่งเป็นตัวเผามันให้มันร้อนมันคืออะไรมันคือกิเลสเพราะนั่นเขาหมายเขาว่ากิเลสนะถ้าคนที่มีปัญญา พ็จะเข้าใจเช่นเราบอกว่าคํวาว่าอาระหรันอ่านอารหันนะไม่ใช่อรหันอรหันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในเทพปัญญาป่าริมบาภามแต่เราก็พูดติต่อว่าอรหันเรียนต้องอารหรันเป็นภาษาบาลีคาว่วอาอระหรันหมายถึงพระเป็นผู้เราไปแปลพวกใครจากเกเรตพูดยังไงคือพูดไม่มีกเกเลร อันนี้คือความหมายแต่นี้ถ้าเราใช้ปัญญาที่หนึ่งถ้าจะเอานี้เป็นตักกะมันเป็นตักกะเนาะมันยังไม่ใช่สัจจานะตักกะคือเหตุผลมันเป็นเหตุผลอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสัจจะความจริงสมมติว่าไม่มีกิเลสแล้วเป็นพระอาราหันต์เรียกว่าอาราหันต์เอาแล้วต้นไม้สายนาภูเขาคนนี้เขาขขก็ไม่มีกิเลสนะต้นไม้เขาก็มีชีวิตนะ เขาไม่มีกิเลสนะจะเรียกว่าอารหันต์ไหมหนังเห็นไหมความจริงกระทำเพราะฉนั้นมันไม่แปลว่าแค่ไม่มีกิเลสแต่จะ เ, เรียกทุกอย่างสรรพสิ่องอย่า ง, น, งนี้โลกนี้มันมีแล้วเป็นพระอระหันต์ไม่ได้เพราะกว่าที่เป็นอรหันต์เป็นพวกไรจากกิเลสต้องบอกว่าไกลเขาอ ย, ยูอ่ห่างจากสิ่งเหลนี้คือไกลจากกิเลสห่างจากสิ่งเหล่านี้อันนี้คือความหมายอันนี้คือถ้ามีธรรมะวิจยัย เมื่อมีสติธรรมะปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะจํำคือสัญญาณคือจําได้หมายรู้ว่าอย่างนี้แต่ตัวที่เป็นปัญญาจริงมันไม่ใช่รนนั้นธรรมะในภาคปฏิบัติถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เราถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นั่งสิบนาทีสิบห้าเลยสามสิบปีแป๊บเดียวต้องใช้วิธีธรรมะปัญญาคือพิจารณายกอะไรขึ้นมาเปอะไรตระ ก, การก็ได้แต่ให้รู้ละเอยียดเลย ให้สอนมันยังได้เอียว่าเรื่องกายอะเอาให้รู้เรื่องเล ย, กา ย, ก, ก, ายกายด้านกายในกายดีกายเสียกา ย, ากายเน่ากายเหน็นเอาให้รู้เรื่องเล ย, เยนี่ว่ากายผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวไม่เลวต้องเอาให้มันรู้เรื่องเลยมันไม่ได้สะอาดสะอา้านมันของเน่าของเสียตับไตเส้นพุงอุจจาระปัสสาวะข้างในเอาให้รู้เรื่องหมดเลยไม่ใช่เอาแค่สวยแค่นําจิตได้ก็จุบทุกวันมั น, ม, นมันไม่ผ่านระบบความคิดอย่างนี้ไนงะมันจุที่ เห็นสวยแล้วก็จบเห็นไม่สวยแล้วก็จบคือชอบไม่ชอบนั่นแนหะมันไม่ไปไปต่อรหลังความสวยความงามความไม่สวยมงามคืออะไรนะเพอปัญญาณไปไม่มถึงนะตัวสัญญามันตัวปิดกัน้นของทางไปไม่ถึงเราก็เห็นแค่นี้เราจะเป็นความชอบไม่ชอบแล้วก็วางไม่ได้เองเพราะอุเบกขามไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าวางถ้าเราเหึนั่นเป็นของเน่าของเสียเราจะเอาไหมเราจะกอดไหมเราจะหอมไห ม, เ ร, ห ม, ไหมเราจะใช้ไหน ถ้าขาในเม็นอุจจาระปัสสาวะเราจะเอาไหมานมีของเน่าของเสียที่อยู่ในร่างกายเรายังไม่รู้สึกรุ้สาเราถ้าออกไปข้างนอกกายเมื่อไหร่เดือดร้อนน้ำลายอยู่ในปากแทๆ้ๆออกไปสัพัดเนี่ยเอาละกลายเป็นรังเกียดไปละขี้หูอยู่ในหูไม่เป็นไรถ้าแกะออกมาเป็นรังเกียจขี้ฟันติดอยู่ในฟันแท้ทั้งทั้งวันทั้งคืนกัดจิ้มออกมาลกลายเป็นข้อลังเกียจอุจจาระปัสสาวะอยู่ข้างในี้แท้ๆ แต่พอเปล่งออกมาเมื่อไหร่ออกขอของรังเกยียจปัสสาวะไม่เส้นเดียวกันเห็นไหมเพ ร, ะพระพาะว่าปัญญานี่ยเกิดเราเห็นแต่ข้างนอกแต่ข้างในกายนอกกายในให้เห็นอย่างละเอียดจิตมันก็จะจํามันจะเข้าใจตามความเป็นจริงคือธรรมะเราเรียกว่าธรรมะวิจยะคือตัวที่สองเป็นเรื่องสําคัญในหนึ่งในองค์การตัสรุษเรือกพุทชงเจดแต่ทุกวันนี้เราอเอาแค่ คุณจะเอาไปสวดมนต์จนจบใขรไม่สบายก็เอานี่เป็นสวดตามอายุตามอะไรก็ว่ากันไปมันถากาศเป็นเอาสวดเอาสัญญาลมันไม่ได้สวดเอาปัญญามันดีไหมมันก็ดีตรงที่ว่าเกิดแล้วทําให้เกิดสมาธิเป็นเกิดปัสสัตทิได้เกิดมีความเออมีความบอกวาเห็นตรงกันว่าสวดนี้ถ้าเขาต่างอายุแล้วมันจะดีจริงมันจะหายจริงคือจิตมันสั่งอย่างนั้นอะ มันเป็นจิจตระเวอย่างจิตมันสั่งเออมันดูโดยเฉพาะคนที่สั่งคือครูบาอาจารย์คนที่เราครพเัา ถ, ถือยอมรับได้ประมาณนี้แต่ความเจริงเป็นธรรมชั้นยอดเรามาคิดพิจารณาเป็นธรรมะปฏิยาแท้จริงมันจะเป็นโอง่งโปรติปักขยธรรมอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ออกแค่ไปสวดแล้วก็หาจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนะี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่พุทธทาพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าไม่ไดสอน ว่าเขาเอามาพูดมากล่าวต่อโหกนี้ร่างกลายเป็นความเชื่อความจํานําประสู่การปฏิบัติเหมือนทุกวันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าของดีแต่พอร่ากลายเป็นเป็นการหาอาคมไปไม่ใช่แค่แค่รักษากายรักษาโรคบางอย่างนิดหน่อ ย, อยโดยมาณไม่ใช่เป็นของดีถ้าใครทําได้อจนเข้าใจโดยสภาะเอาแค่สองคำสติส ธรรมะปัญญาอันนี้มันก็สื่อสารกันหมดปนครอบประเด็นหมดมันคมหมดแล้วว่าสติปัฏฐานสีฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ได้แยกเลยโดยพ้องยิงทั้งหมดอานนี้มันใช้กับตัวเรานี่หลเพราะมันมีอยู่ในตัวเรานี่เพราะนั้นธรรมะทั้งหมดทังมวลในโลกกระามในี่แปดมื่นสีพันปั์ก็ดู มันใช้กับตัวเราคือท่าทีขนันห้านี้นี่แค่นี้โดยสรุปนั้นถ้าเราอยากมาเข้าใจในสิ่งเหลนี้แล้วมาเข้าใจว่าสติฐานฐานของสติที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของความรู้สึกเรื่องคิดปรุงแต่งด้วแท้จริงโดยสรุปแล้วอยากมาเข้าใจแล้วก็จะไปไปรื่อยเปื่อยยืนก็ยืนโดยความไม่มีสตินั่งก็นัน่งโดยความไม่มีสติเดินก็เดินโดยความไม่มีสตินะและ้ว โพธิปัจจะธรรมหรือว่าพชฌงค์เจงมันจะมาจากไหนมันไม่มีมันไม่เกิดเราองค์กันแตัจะรคําแรกคือสติอยู่ที่สติเราจะฝึกได้มากได้น้อยมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่เราแหละเสยธรรมะวิยะในการตัดสินดยาราวความเป็นจริงที่เหลืออีกผู้ชมไปเจัดข้อที่เหลือเป็นผลไปได้ทั้งหมดเอาแค่สองข้อนี้ได้ มันมันคลมุมไปหมดเลยแม้แต่สติปัฏฐานก็ดีมหาสติปัฏฐานก็ดีก็เรียกว่าสติรลังด้วยความเปรวมความเป็นใหญ่ะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานสี่ น, นี้มันจะสมบูรณ์มาเจะบริบูรณ์โคตรเมื่อมันมีกายให้รู้ให้ดูให้พิจารณาถ้าไม่เหลือแล้วเหลือแต่เวาทานาจิตธรรมอย่างเดียวเหลือแตสี่ตัวพิจารณาอะไรไม่ได้เหมือนเรานอนหลับ มีกายจึิงมีรูปจริงมีธาตุสีกันฮะอยู่จริงแต่สติมันไม่อยู่กับรูปคือดินน้าไบลมในขณะนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณไม่เกิดปัญญาสัญญาก็มีเกิดมันมีแค่ลมหายใจอย่างนั้นก็อื่นไม่มีตอนนั้นหลังจากนี้ไปเดินกลับไปบ้านช่องห้องหอไปกุฏิไปบ้านก็หลับนอนอุตุมันก็เดิลมหายใจผ่านจมูกเข้าจมูกออกแค่นั้น สติมันไม่มีอะมันเองเมื่อมันมันรู้ตัวโดยสัมปช a โนสติสัมปช a โนมันรู้ตัวพร้อมคือทั่วตัวพูดง่ายเมื่อไหร่แล้วมันจะรู้เออมันยังไม่ตายมันยังไม่ยืดอยู่ก็ได้แค่นั้นหลังจากนั้นก็มีความคิดอะไรแล้วก็กลับไปามประมาทในชีวิตในวันประจําวันเรากรนับเอาวันเดือนปีวันนี้ครบหนึ่งปีแล้วครบสามเดือนแล้ว ขรบสบสองเดือนแล้วออกปีตีครบสามเดือนแล้วเออพันศากันนับอายุพันษาหน้าอายุปีกันไปก็คิดวันได้ซึ่งได้อะไรก็ไม่รู้ได้วันได้เดือนได้ปีได้คืนได้กลางวันได้กลางคืนเนีสติปัญญามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไล่ไล่ไ่ไล่ตามเลยไปเรื่อยนั่งใครมันก็มันก็เพลิดเพลินเลยบันเทิงในธรรมเพลิดเพลินในธรรมมันก็มันรู้สึกเบื่อส่วน เรือกายเวทนาจิตธรรมมันก็อยู่ในตัวมันก็แสดงตัวตนของมันออกมาัเช่นเวทนาเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วปวดแข้งปวดขาตรงนี้น่นสภาัสเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าพักหนึ่งมันก็ดับไปเพราะว่าพุทจ้าตัสอยู่แล้วเรื่องใจรักว่าเกิดขึ้นตั้งเยอะก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่ไม่ดับเพื่อเราทนไม่ได้เท่านั้นเองแต่เราฝึกให้มันข้ามไปนิดหนึ่งเอาจะรู้ว่าอ สักกี่นาทีซึ่งบางคนไม่เหมือนกันบางคนห้านาทียสิบนาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเวทนาก็มาเยืนละอืเขอได้เวทนามูเยือนก็ทนไม่ได้นั่นคําว่าทุกหรือว่าทุกขเวทนาเป็นเวทนาหรือว่าสวยเวทนาที่มันทนไม่ได้เพราะนั้นทุกที่แท้จริงคือสภาพที่มันทนอยู่ไม่ได้โดยคมไยคือคําว่าทุกขว่าจะเป็นทุกทางไหนก็ตามมันเกิดแล้วมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้คือรับไม่ได้แม้แต่เวทนา ทั้งหมดเวทนาเกิดขึ้นอย่างแรงแล้วจิตมันก็อยู่ไม่ได้เช่นเจ็บปดวดเวทนาอย่างแรงเกินบาดแผลทั้งหลายเนยเวทนามันแรงกล้ามากจิตมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เด้งออกมันก็หลุดออกจากร่างหนีออกจาการายย่างก็เลือตายนั่นแหละเวทนามากๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครฝึกด้านนี้ระดับหนึ่งคือสามารถที่ผลพันเกิดทาให้เวทนามันน้อยหรือ เอาจิตของเราไม่อยู่กับกายมันก็อยู่ได้นระดัแบบหนึ่งอย่างเช่นเช่นครูบาอาจารย์ท่านบาตุมปาตัดท่านก็ภาวนาของท่านท่านจะเห็นท่านก็รู้หมดปิ่งท่านก็อยู่เหนือกําหนดให้อยู่เหนือร่างกายเขาก็ทำไปเขาจะปาดเขาจะอย่างไรก็เป็นเรื่องเขาเรื่องของกายเดินในกระดานเวทนาเวทนาของท่านไม่อยู่มันก็คืออปาณาสมาธิ อปนาสมาธินะจิตไม่ได้รับรู้เรื่องกายเรื่องข้างนอกอเขาจะทำะรรํำแล้วได้แท่งออกมารับรู้เมื่อไหร่เวทนาก็จะมาทันทีความเจ็บปวดก็จะมาทีความรู้สึกทั้งหลายแหล่เหมือนตอนนี้ได้ยินเสียงกบเขียงร้องเสียงอะไรข้างนอกมันก็มาเหมือนปกตินะเรียกว่าปกตินะี่พอมาเสร็จแล้วสติไม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติมันะมต่า ง, งตรงนี้เพราะนั้น ถ้าเราทําได้ทั้งอย่างคืออุญเจรศมาธิกรณีอัปปนาสมาธิมันจะมีประโยชน์อยู่บ้างในมันจะเป็นเรื่องโลกก็ดีเรื่องธรรมก็ดีเรื่องโลกก็ เ, กเป็นอยู่ในการนอนชีวิตเรื่องธรรมคืการพิจารณาลงอัดเรื่องธรรมแล้วอัปปนาสมาธิกับมันพักเหมือนคนนอนหลับวันหนึ่งถ้าเราไม่หลับไม่นอนเลยร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้นะจิตก็เหมือนกันเราไม่ได้รับการพักผ่อนเลยจิตเขาก็อยู่ลำ บ, บากเหมือนกัน ก่อระวังกายกับจิตมันในอธิบายก่อนนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสองคำอันนี้คือสติอรรมะเวชยะหรือเรียกว่าสติปัฏฐานกันแล้วแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันมันไม่ใช่แยกมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่เราไม่รู้พูดถึงเก่าเราก็บอกก็หมายกายในกายรู้กายอย่ากก็กายคืออะไรกายก็คือดีนนาำไฟลมคือรูปอนี้ รูปอะไรกันั้นก็เหลือแตเป็นนามเพราะนันตัวทั้งหมดเนี่ยโดยภาพรวมท่านจเจอยว่าสังกตตธรรมเป็นที่ปรุงเป็นที่แต่งเป็นที่แตเป็นที่คิดของกายเอามาปรุงเอามาแต่งไม่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามชอบไม่ชอบก็าตามแล้วก็ปรุงทุกอยาไม่มีสติกำกับครอบงำดูเลยเป็นที่มาว่าสังกตตธรรมถ้า ตัวอสังกต ธ, ธรรมคือจิตต์พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าใจวางสิ่งเหล่ลานี้ก็เรียกว่าอสังกต ธ, ธรรมรูปเรียกว่าปัจจัยทั้งหลายลเหล่ไม่สามารถที่ประปรุงมาแต่งท่านได้ท่านเหนือสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่า น, น, น, นี้มันก็มีอยู่บนโลกวันนี้มันก็มีอยู่ในรานน่างกายมันคือธาตุสี่กับธาตุตอนี้แต่จิตของท่านอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ท่านในตรนี้หมายถึงท่านผู้หมดพ้นแล้ว กุพะอาหารวากุใครจากเกลเลต่างๆของตนคือจิตกุพะอาหารเขาเป็นเช่นนั้นแล้วก็อยู่ตาปกติวันเดินปีมันทําไปเขาก็ทำไปที่เขาไปสุขทุกข์เขาก็อยู่ขงเข้าไปอาถึงเวลาอุเบกขาเวทนาท่านก็วางอยู่ทีควาวางขอที่อยู่ซ้อมนี้ไปทีนี้อารมณ์ของคนที่ปฏิบัติคือกายเวทนาจิตทำอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงต้องย้ามาต้องต่อเนื่องนะ อารมณ์ต่างอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก็คือโซดาบัณยางกลางอาาคามอย่างมากที่สุดก็คืออรหันต์พวะนั้นเราต้องตั้งจิตเอาไว้เลยว่าจิตของพวกเราเนี่ยต้องอบรมมันให้ได้ต้องให้เอาฉลาดให้ความรู้ว่าของผู้เนี้ยมันเป็นไปได้ ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งชื่อเอาไว้เบื้องต้นคือต้องทําใจของเราให้สงบอย่าไปรู้ผู้ทีอินพูดกับไปที่เดิมเพ่าให้มีความรับรู้ในกองสังขารในกองสังขารรูปบางอ้อมด้วยปัญญาด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาอย่างที่พวกเราใช้ใช้ชกันอยู่ในชีวิตที่เราถ้าเราเข้าใจตรงกังงนจะมีแล้วโสดาบันเป็นขั้นต่ำ เราจะพึงได้พึงมีพงเป็นจะไปเชื่องวัฒนาบาละมีเราไม่เป็นนี่ทําตอนนี้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้อย่าไปคิดเรงมัวแต่โทษโชคชะตาราศีโทษเวรโทษกรรมโทษอ August, ดอีตโทษอนาคตมันต้องไปโทษเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะ น, นี้แต่สรุวันยีน้อยกับเพิ่มขึ้นเพิ่มเวลาเพิ่มอย่าเพิ่มสติให้มันมากขึ้นในการยืนเ e ดินนั่งด้วยความมีสติโดยเฉพาะยนธรรมวิจยะื็อยู่กับความจริง วิจัยความจริงให้ได้อสอดส่องความจริงให้ได้รู้แจ้งเึ็นจริงตามความเป็นจริงให้ได้นั่นคือข้อหมายเพราว่ารู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงตามความจริงนั่นก็คือกฎของใจรักก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เราปล่อทุกสปปรรพสิ่งทั้งหมดถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้จิตเข้าใจอย่างนี้เกิดปัญญาเป็นอย่างนี้นั่นคือคือใจรักเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมาย ควาพวกเราใจรักกันขึ้นก็คือใจรัก ก, กันวางตัวเองละวางกายมีธนาจิตธรรมกายของเราเองจะที่กว่าใจรักได้นะก็ขอข อ, อนุโมทนาควดีพวกเราทุกคนหลวงพ่อไม่อยู่แล้วก็สามารถที่จะยืนเดินนั่งด้วยความมีสติด้วยความมีธรรมะวิจยะในชีวิตนัแต่ละวันความดูบารมนีคือความเต็ม มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ทานโมติคิดว่าโอ้วันนี้ไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีเวลามาได้ไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นอง น, นี้หรืไม่ได้เข้าวัดโอ้อยู่ต้นไหนก็ได้นั่งบนเก้อี้ก็ทําได้เราคิดได้มันเป็นไปได้ตรงนั้นทุกอริยบทมันเกิดมีธรรมะเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นมันไม่เกี่ยวกับอริยบทพระ อ, อนนึ์กลาลังจะหลับกลาลังจะนอนกําลังจะเอื่นมาแรโพบดทํามาเป็นมันหลังกํกลาลังจะเอื่นกำลัจะนอนดังสําเร็จในท่าอริยบทนั่นเลย มันไม่ได้เกี่ยวกัเรียบทไม่เกี่ยววับศาสนาบาลา น, ลนีก็ขอเป็นกำลังใจใพวกเราทุกคนที่ถึงแม้อาจไม่อยู่โดยภารกิจก็เพื่อที่ไปทำตัวเือนผู้ตอย่างเราไปปรกปให้กระตือให้ก็คิดไปให้แนวทางเป็นกำลังใจให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิจนเกิดปัญญาในปลายทางในเบื้องต้น ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกําลังใจของเราทุกคนที่ไม่ท้อไม่ถอยเป็นกําลังใจว่าวันหนึ่งครา้งหน้าความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเรามีความเพียรเป็นที่ตั้งก็ขออนุโมทนาในความดีขออนุโมนาโด้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเดิม